ก็นับว่าท่านทั้งหลายมีความตั้งใจในการที่จะศึกษาใช้เวลาในช่วงเทศกาลเนี่ยมาศึกษาธรรมะก็ถือว่าคุ้มนะคุ้มค่าถ้าเปรียบเทียบกับคนที่เขาสลองเทศกาลที่เต็มไปได้วยความวุ่นวายความร่าร้อนของอากาศและมลพิษทางเสียงมลพิษทางแสง ต่างๆทำให้เกิดทุกเวทนามากมายคนก็ลินโดนเร่าร้อนกันไปตามจังหวะของอากาศดินฟ้าอากาศและค่านิยมทางวัฒนธรรมแต่พวกเราเลือกที่จะมาอยู่ในมุมที่สงบแล้วก็ศึกษาธรรมะโดยการแปลงเวทนาของรูปนามที่เกิดจากดินฟ้าอากาศเกิดจาก อาหารเกิดจากการกระทำให้มาเป็นตัวกำลังของเตยสิขาคือศีลสัสดิปัญญานะซึ่งก็คิดว่าเราคงจะเป็นกลุ่มแรกๆที่เริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงวัฒ น, านาธรรมที่มันไม่สร้างสรรที่เป็นไปเพื่อความ ในขณะเดียวกันก็หลายสำนักก็ทำแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าที่ไหนบ้างนะแต่รู้ๆว่าพวกเรามาริ่มทำกันมีหลายปีแล้วในช่วงสงการบางปีก็ไม่มีฝนเลยรนะ้อนจัดๆได้ไปวิ่งช่วยกันดับไฟป่าปีก่อนนู้นนะไฟเข้าทางดูน้นกำลงังฉันเพลินกันเสร็จไปเข้าป่าทา ง, ทางไปดับไฟก็จะเสร็จก็บ่ายโมงบ่าสองรถ ด, ดับเพลิงมามงวุ่นวายแต่ปีนี้โชคดีมีฝนตกลงมาสลับในช่วงสงการ ทำให้ความเราร้อนลดน้อยลงนะศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยเราคงจะต้องมีวิวัฒนาการในสมัยที่เรายังไม่ได้ศึกษาปฏิบัติเลยเนี่ยเราก็เป็นไปตามสังคมทั่วไปคือหน้าจุดหน้าเทศการตรุษทาสงการเข้าพรรษาออกพรรษาเทศการนี่นั่นนั่นเยอะแยะไปหมดที่เมืองไทยนีย่แบบคนทั่วไปวเราก็รูกว่ามันเป็นสาระน่แหละ แต่ลึกๆแล้วนี่มันเป็นเรื่องของสมมติเหมือนเราคอยกินพวกดอกของต้นไม้แต่ความจริงมันมีผลนี่อีกแต่เรายังไปไม่ถึงนะเมื่อเรามาวิวัฒนาการได้ศึกษาพุทธศาสนามากขึ้นก็ปรากฏว่าทนที่เราจะใช้เวลาให้สูญเสียไปกับวัฒนธรรมประเพณีซึ่งเราได้ใช้มันมาครึ่งค่อนชีวิตแล้วเราก็วิวัฒนาการใ้วการพัฒนาขึ้นมาเป็นเรื่องของสมมติธรมรมปรมัตธรรม และพรหมาจรรย์สูงขึ้นนะ ก, ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาวุฒิภาวะของความเป็นพุทธของเราให้สูงขึ้นนะคือมีความาพัฒนาการทางด้านจิตวิญญาณซึ่งในช่วงเชติการ น, นี้ก็ต้องยอมแล้วว่าเราคงไม่ได้ร้อยเปอร์เซนตเรามีวัฒนธรรมพื้นบ้านเข้ามาแทรกให้ศึกษาบ้างอาพอเป็น แนวทางว่าลองรอยทางวัฒนธรรม เ, าเรามเราเคยเป็นมาอย่างนี้แล้วก็ชาวโลกทั่วไปเขาก็ทำกันอยู่อย่างนี้คุณเคยแต่เรื่องเหล่านี้มาตั้งแต่เล็กๆนะเราก็เห็นว่าการพัฒนาของจิตของมนุษย์เนี่ยค่อนข้างช้ามากเพราะว่าเราเกิดมาในมาในประเทศที่สมมุติไปอย่างนี้สมมุติทางด้านมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมวัฒนธรรม ชนบวทวัฒธรรมเมืองหลวงวัฒนาวัฒนธรรมไพรวัฒนธรรมเจ้าวัฒนธรรมศักดินาอะไรปนเปนกันไปเสียเวลาไปกับสิ่งเหล่านี้มากมายที่ต้องมาปรับตัวอยู่กับสังคมแบบนี้นะเป็นความซับซ้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมทําให้เราเสียเวลาแต่ก็ดีอย่างหนึ่งนะมันก็เป็นเหมือนกับต้นไม้ที่มันมีปุย๋ยมีน้ํามากถึงแม้ว่ามันจะ เฟือกิ่งเฟือกา้านเฟือใบออกผลน้อยแต่มันก็ยังดีกว่ามันตายไปเราจะเห็นว่าต้นไม้ไหนที่มันอยู่ใกล้น้ําใกล้ปุ๋ยมากเกินไปพวกถั่วพวกอะไรเขาปลูกเพราะมันเฟือใบเห็นไหมเขาว่ามันออกใบเยอะต้นมันงามแต่ว่าผลมันนิดเดียวนี่ความอุดมทางด้านวัฒนธรรมของเรามีความหลากหลายทางปุ๋ยทางน้ํา แต่มันไม่ใช่ดอกเชืผลนะแต่ดีกว่ามันไม่โตอันนั้นในสังคมเราก็เหมือนกันเราเจะต้องมารับรู้ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆแต่ละเดือนที่สิบสองของสิบสี่วัฒนธรรมไทยเหนือไทยอีสานวัฒนธรรมไทยใตย้ไทยกลางมาปุ่นกันหมดวัฒนธรรมไทยพุทธไทยคริสไทยอิสลามวัดไทยผีไท ย, พ, ไทยพราหมณ์ปนกันหลายๆอย่าง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเรารับมาหมดนะอันนั้นเองถึงแม้ว่าเราจะมีความเลื่อนชาในการเข้าถึงสัจธรรมแต่ว่ามันก็มีรากที่ยัางไปกว้างขวา ง, วางมันมีปุ๋ยทั้งดัฐวนธรรมน้ำทั้งน้ำวัฒนธรร ม, รรมคอยหล่อเลี้ยงอยู่มากมายที่การพัฒนาไปสู่ตัวปรมัตธรรมหมายถึงว่าต้นไม้เนี่ยมันจะต้องมีโอกาสได้แห้งเป็นระยะไม่ใช่เป็นชุ่มตลอด อย่ถัวนี่สงเดียมาให้เขาปลูกเนี่ยถ้าเราลดน้ํามันตลอดนะมันจะไม่ลงหัวเลยนะมันเป็นต้นดอกงามอยู่ที่ใกล้ต้นไม้เนี่เห็นไหมโยมบอกว่าหลวงพ่อถ้าน้ํามันชุ่มตลอดมันจะไม่ลงหัวเลยนะมันจะเป็นแต่ต้นแต่ใบต้องทิ้งให้ไม่ต้องลดน้ําหรือรดน้ําห่างๆบ้างนะสันใดก็ดยยีถ้าเราอุดมสมบูรณ์โดยตลอดจิตของเรามันก็จะไม่ไม่มีความอดทนได้ต้องการอะไรก็ได้รับการต้องการ ได้รับการตอบสนองหมดจิตของเราเขาจะไม่มีพลังเหมือนต้นไม้ต้นไอ้ถัวที่สงที่ว่าเนี่ยมันไม่มีได้อดได้อยากเลยไม่มีแห้งแหลงเลยมันก็ไม่มีพลังการที่จะมารัดดอกรัดผลของมันมนุษย์เราก็เหมือนกันถ้าอยู่ในที่อุดมสมบูรณ์เกินไปไม่มีความอดความทนเกิดขึ้นเลยนะ ไม่มีความหิวกระหายเกิดขึ้น เ, นเลยร่างกายก็อ่อนแอจิตใจไม่มีความอดความทนต่อสิ่งขาดแคลนเลยก็อ่อนแอถ้าไฟดับสักคืนนี่แล้วก็เดือดร้อนนะนอนไม่หลับนะ พัดลมไม่หมุนแอไม่ติดไฟไม่ออกนีนอนไม่หลับเพราะเราอยู่คุ้นเคยกับอยู่ทางวัฒนธรรมแต่แทนที่มันจะเป็นโอกาสที่ดีของเราได้พัฒนาได้พัฒนาเกิดความบทนุนแต่เราความบทนที่ทําด้วยความหูดกีดอึดอัดขัดเคืองมันก็จะไม่เป็นความบ ท, ทุนที่สร้างสรรแต่เป็นความกดดันความเก็บกดไปอีกแบบหนึง่งก็เป็นทุกขันที่จะเป็นความเติบโตทางด้านด้านจิตใจแต่เป็นการเสื่อมทางด้านจิตไปอีกแบบหนึง่งนะเกิดความอึดอัดขัดเคืองไม่พอใจอันนี้ก็เราจะเห็นว่า จิตใจของเรามันจะพัฒนามันต้องมีทั้งสองภาพภาพที่สะดวกและไม่สะดวกภาพที่สบายไม่สบายภาพที่เป็นสุขเป็นทุกข์ภาพที่สมบูรณ์และภาพที่ขาดแคลนเหมือนกลาคืนกกลางวันนะสลับกันไปภาพที่สว่างและภาพที่มืดภาพที่อ่อนแอและภาพที่แข็งแข็งสลับกันไปชีวิตของเราถึงจะเกิดความสมดุลนะตอนั้นเองมาเองอยู่วัดมาดีอย่างหนึ่งได้ทํางานได้หิวเพราะมาเองต้องปล่อยให้ตนเองได้หิว เพราะถ้าไม่หิวแล้วร่างกายเราจะไม่แข็งแรงคนทุกวันนี้อ่อนแอรโครคภักดเจ็บเยอะเพราะไม่ไม่อยู่ภาวะที่หิวบางวันนาำมานของฉันน้อยทํางานเยอะๆ เ, เพื่ออะไรเพื่อให้มันหิวเพื่อให้ิวแล้วร่างกายได้จะแข็งแรงไม่มีโครคภัยไข้เจ็บเพราะร่างกายได้เาผาผลาญใช้ไอสิ่งที่เข้าไปหมด แต่คนไหนที่ไม่หิวทําอะไรหิวไม่ได้ต้องหาอะไรใส่ปากอยู่เสมอนั่นนะเป็นที่แหล่งของโรคไปแค่เจ็บความดันเบาหวานโรคหัวใจไขมันอะไรมาเพียบเลยนั่นคือเป็นโรคอิ่มคนทุกวันนี้เป็นโรคอิ่มถ้าหากว่าป่อให้ชีวิตได้หิวบ้างนี่คือเทคนิคคนธรรมาคือต้องให้หิวถ้ามันไม่หิวแสดงว่าเราจะป่วยละนะอย่างเมื่อวานธรรมาฉันตอนนี้ฉันนิดเดียวตอนบ่ายได้ทํางานนู่นนั่นี่รู้สึกกระช้ามาหิวแล้วก็ได้น้าสักแก้วสองแก้วก็สบายละมีกําลัง เพราะนั้นการศึกษาการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าเราทําให้มันสบายนะแต่ทําเพื่อให้รู้จักใช้สมดุลของชีวิตให้เกิดปัญญาให้สมดุลของชีวิตให้ชีวิตที่เข้มแข็งให้จิตใจเราเข้มแข็งให้จิตใจเรารู้จักอดจักทนรู้จักรอจักคอยนั่นคือความเติบโตถ้าจิตใจของเราได้ตามต้องการทุกอย่างที่ต้องการแล้วจิตใจเราจะอ่อนแอนะร่างกายก็เหมืนมันได้กินทุกอย่างที่มันมันอยากมันจะอ่อนแอ บางครั้งเราจะต้องอดให้มันหิวเพื่อร่างกายของเราจะได้ปรับบางแห่งเขาก็อดข้าวอดน้ําอย่างเช่นการล้างพิษตับล้างอ่าสีทอกอะไรพวกนี้เขาให้ขดข้าวสามวันสี่วันเพื่ออะไรเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยได้ได้ใช้สมบัติที่มันมีอยู่ข้างในสั่งสมไว้เยอะๆเดี๋ยได้หมดก่อนอบ้านใดที่มีของสั่งสมไว้เยอะๆจะเป็นที่อยู่ของ ะมะแมลงแมงมดเป็นที่อยู่ของหนูของแมงเสดแมงสาทั้งหลายนำมาสิงเชโลกเราจะต้องเคลียอย่างในสารนี้มาพยายามทิ้มให้มีอะไรเลยนะถ้ามีอะไรสักชิ้นในสารต้องรีบเก็บให้หมดเพื่อให้มันเป็นที่หมกมุ่นของอวัตถุวัตถุแต่ละชิ้นมันมีความหมายในตัวของมันไอเห็นเก้าอี้เราก็คิดเรื่องเก้าอีแ้แล้วจิตก็ตะลืบเรื่องเก้าอี้ไอเห็นที่นั่งไปเห็นวัตถุอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะในั้นสาร ก, กรรมฐานต้องพยายามให้มีอะไร ใ ห, ให้เกลี้ยกล่ำที่สุดเพื่อเข้ามาแล้วจิตใจรุ่งโปร่งจิตใจมันก็พร้อมที่จะได้วิเวกทางด้านสายตานะนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นภาระอันหนึ่งที่ถ้าเราไม่มีกรรมฐานเราก็จะอยู่ยากเหมือนกันพอเรามีกรรมฐานปั๊บเราจะเห็นว่า ง, งานแต่ละชิ้นนั่นคือสนามงานปฏิบัติภาวนาของเราแต่ถ้าคนที่ไม่มีกรรมฐานก็จะงุดหงิดติดอารมณ์นุ่นก็ทําเราทําคนเดียวคนอื่นไม่ทําอะไรทานองก็จะจิตใจก็จะเกิดอฏิฆะหงุนหงิด แต่พอเรามีกรมรมฐานนี่เห็นอะไรก็น่าจับน่าต้องเห็นอะไรก็น่าทําไปหมดมันเกิดปีติที่ได้ปฏิบัติธทำถ้าแทนที่เราเออไปนั่งสร้างจังหวะเดินจู ก, กลมชั่วโมงหนึ่งกับเราใช้การเคลื่อไนไหวในเดินจู ก, กลมสร้างจังหวะนั้นมาทําความสะอาดในพื้นที่ชั่วโมงเนี่ยมันก็ได้ความรู้สึกแตกต่างกันนะดังนั้นเองมาก็เลยว่าอ๋ออันนี้คือการเรียนรู้ความสมดุลของชีวิตต้องรู้จักขาดแคลนรู้จัก หิวหวยถ้าอิ่มมากกว่าหิวโรคไขข้าเจียวก็จะหิวมากกว่าอิ่มดีฟ้านะในบทสวดผู้ใดมีท้องพร่องอะไรมีบทสวดเนี่ยเดี๋ยวท่านเอฟจะเปิดให้ดูบดมีอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเอามาให้อ่านหน่อยตรงนั้นชัดเจนเลยห้าหากว่าเราศึกษาทั้งด้านวิปัสสนาแล้ว เราไม่ได้ศึกษาเพื่อความสงบนะเราไม่ต้องการความสงบแต่เราต้องการให้เกิดปัญญาเห็นความสมดุลของชีวิตว่าชีวิตมันควรที่จะอยู่ได้ทั้งสองภากอย่างมีความสุขอยู่กับสุขก็ได้อยู่กับทุกข์ก็ได้อยู่ท่าความขาดแคลนก็ได้อยู่ในความบริบูรณ์ก็ได้อยู่ที่ไม่มีไฟก็ได้อยู่ที่มีไฟก็ได้อยู่ที่มีอาหารก็ได้อยู่ที่มีอาหารน้อย ก็ได้อยู่ที่ขาดแคลนอาหารก็ได้อย่างเนี้ยเพราะนั่นคือชีวิตจริงชีวิตจริงเราจะสังเกตได้จากว่ามันมีกลางวันกลางคืนมันมีร้อนมีหนาวมันมีเย็นมีร้อนธรรมชาติมันสอนเราอยู่ตลอดเวลาแต่พอมาสู่ในชีวิตจริงของเราเรากลับลืมมันเราขาดแคลนอะไรไม่ได้เราขาดข้าวสักมื้อหนึ่งไฟไม่ติดสักวันหนึ่งพัดลมไม่หมุนสักชั่วโมงหนึ่งแอร์ไม่ติดสักครึ่งวันอะไรเนี่ย มันก็จะเกิดการขาดแคลนให้เราเห็นเราก็ได้ฝึกฝนแม้แต่นักภาวนาทุกวันามาว่าเราศึกษาวิปัสนาคนก็จริงบางทีเราศึกษาไม่ถูกล้วต้องการความสุขต้องการความสงบต้องการไม่มีอะไรรบกวนอันนั้นเป็นเรื่องของสมรถะหมดนะไม่ใช่วิปัสนาแต่วิปัสนาเรายินดีพอใจอยู่ได้ในทุกสถานการณ์จะขาดแคลนก็ได้จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้มันเป็นโอกาสให้เราได้ฝึกฝน เพราะนั้นมาชอบที่อยู่อย่างบ้านนอกอย่างนี้มากกว่าที่ไปอยู่ในเมืองเพราะในเมืองนี่เราได้รับบริการจากทั้งอื่นหมดเพียงแต่เราหาเงินซื้อบริการเท่านั้นนะอันไหนที่ไม่ถูกใจเราเราก็สามารถที่จะทักท้วงฝ่ายบริการไม่ไม่ครบวงจรให้กับเราก็ได้แต่ถ้าเรามาอยู่บ้านนอกที่เราเห็นถึงความขาดแคลนเราจะปรับปรุงเท่าใดเอาเท่าใดเนี่ะนั้นเองเอามาก็เลยเปรียบสวิต ไฟมันมีสองสวิตในระบบวัดของเรานะีสวิต ท, ทางนี้ไปเป็นโซลาเซลล์สวิต ท, ทางนี้ไปไฟฟ้าทีนี้ในช่วงไหนถ้าไฟโซลาเซลล์มันเต็มแบตเนี่ยมันก็ใช้ได้ตลอดแต่พอเราใช้เยอะๆใช้ทั้งแอร์ทั้งพัดลมทั้งไฟแสงสว่างทั้งวัดนี่นะมันก็มีข้อจํากัดพอสักตีสามตีสี่มันเริ่มขาดแล้วบางช่วงที่ไฟแบตมันเไปไม่ถึงก็แอร์หรือพัดลมก็เริ่มดับในจุดนั้นแล้วก็รู้ว่าเออไฟมันอ่อนแล้ว มันก็จะเหลือเป็นบางจุดแต่ว่าเราตั้งไว้ว่ามันต้องตัดบางทีมันไม่ตัดให้เราต้องไปตัดเองถ้าซื้อมาเป็นจากโซโลเซียมมันไม่พอเราก็ซื้อมาทางไฟฟ้าใหญ่มันก็พอเหมือนเหมือนเดิมนะเหมือนกันนะในจิตของเรามันมีสองระบบระบบไตรักษกับระบบไตสิขาถ้าร่างกายเนี่ยมันต้องใช้ระบบไตรักษณ์บริหารแต่ในแง่ของจิตใจมันต้องใช้ระบบไตสิขาถือว่าเป็นปกติของมันแต่ถ้าหาคร่างกายก็เป็นใจรัก จิตก็เป็นตรลักษณ์เนี่ยทุกดับเบิลเลยทั้งกายทั้งใจที่ถ้าหากว่าเราไม่ติดวิปัสนาวิปัสสาเหมือนระบบโซลราเซลลระบบตัดคือระบบที่จะดูแลความพอดีเส้นเส้นกลางระหว่างกายกับใจเรียก ว, ว่าศึกษาและรูปกับนามเราเข้าใจรูปนามเพื่ออะไรเพื่อเข้าใจเส้นแบ่งระหว่างกลางระหว่างกายกับใจนีถ้าเราไม่เข้าใจเส้นแบ่งระหว่างกายกับใจแล้วเนี่ยความเวทนาที่มันเกินทางจะทางกาย มันล่วงล้าเข้าไปสู่ระบบจิตแล้วก็ไม่รู้เวลาทางจิตมันสูงมันล่วงล้ามากินเส้นของทางกายเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่รู้เส้นกลางพอดีมันแค่ไหนตอนเข้าใจรูปนามเราต้องสามารถจํากัดความไม่สบายกายให้อยู่ที่กายลําบําบัดได้ที่กายเราสามารถควบคุมความไม่สบายที่จิตมันอยู่ที่จิตไม่ให้เกิดมาครอบงําที่กายนี้เรียกว่าเข้าใจรูปนาม เข้าใจรูปก็คืออาการของรูปเข้าใจว่ารูกนั้นมันต้องเป็นตัตามกฎของใจรักคือมันเปลี่ยนแปลงแปรปวนแตกดับควบคุมไม่ได้ตลอดเวลาหน้าที่ของเราปฏิบัติภาวนาก็คือพยายามบริหารการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนแตกดับเนี่ยให้มันอยู่ในขอบเขตของรูปแต่ถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะที่ปจริญมาพอเนี่ยเราไม่สามารถจะเห็นความพอดีพอดีของเวทนาที่เกิดขึ้นจากความแปรปรวนแปลงแปลงของใตรักเนี่ย ล่วงเกินไปสู่เขตของน้ำมันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นน้ำ ม, มาลูกแต่ถ้าคนรู้เส้นแบ่งระหว่างรูปกับน้ำเนี่ยน้ำก็ยังเป็นน้ำรูปก็ยังเป็นรูปเราก็บริหารไปในส่วน พอเราควบคุมเวทนาอันเกิดจากไตรักษในในรูปพอดีเนี่ยมันจะเกิดไตรสีขาในนามโดยอัตโนมัติของมันเลยโดยไม่ต้องไปสร้างต่อเมื่อใดเราไม่สามารถควบคุมกดใจรักให้อยู่ที่รูปเนี่ยมันก็ไปก่อให้เกิดนามมะลุปไตรสิกขาก็ถูกกินเนื้อที่นามมะลุปคพ้นเนื้อที่ของไตสิกขานามไม่สามารถที่เป็นนามต่อไปได้มันต้องมีนามมะลุปเข้าไปคือเกิดความอื่นอัดความพอใจความขัดเคืองความคิดและอารมณ์ต่างๆกินเนื้อที่เข้าไปแต่มันกําเนิดมาจากรูปเพราะฉะนั้น วิปัสนาเรื่องมีไตรลักษณ์เป็นอารมณ์ก็หมายถึงว่าเราจะต้องมาบริหารความเป็นไตรลักษณ์อยู่ในรูปให้ชัดเจนคือเอาไตรลักษณ์เป็นอารมณ์ถ้าไม่สามารถเอาไตรลักษณ์เป็นอารมณ์ได้มันไม่ใช่วิปัสนามันเป็นสมถะทั้งหมดแังในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มาไม่รู้ว่าในเมืองไทยของเราเนี่ยระบบวิปัสนาไม่รู้มันสับสนเมื่อไหร่เมื่อไหรถ้าไปพูดเรื่องนี้แล้วเขาเขาเข้าใจไม่ได้เลยนะแต่ในวิธีการของโลกเทียนนั้นชัดเจนมากเลยว่าอะไรเป็นอะไร แต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ภาษาปริยัติมากเกินไปเพราะมันจะทําให้สับสนแต่ใช้ภาษาว่าความรู้สึกไม่สบายกายทั้งหมดจะต้องถูกบริหารด้วยสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นการปรับการเคลื่อนการดิ้นไปดิ้นมาของร่างกายเพื่ออะไรเพื่อบรรเทาเอาเวทนาอันเกิดจากตรลักษณ์ออกจากร่างกายแต่ถ้าหากเราเปลี่ยนแปลงดิน้นไปดิ้นมาโดยที่ไม่มีวิปัสสนาเราก็ทําไปด้วยสัญชาตญาณมันก็จะไม่เป็นอ่า ตัวไตรสิกขาถ้าเปลี่ยนไปโดยสรรชาติยานมันในตัวจิตของเราก็เกิดนา ม, มารูปคือเกิดโมหะคือความไม่รู้อวิชชาเกิดขึ้นแ <awards. S 1> ล้วมันเป็นนา ม, มรูปแล้วนามรูปไม่ได้ไหมายถึงความคิดอย่างเร็วนามรูปหมายถึงทำอันทีนเป็นฝ่ายอากุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจิตเป็นนา ม, มารูปหมดถ้าไม่มีนา ม, มารูปอกุศลทั้งหลายเกิดไม่ได้ <S <S ถ้าเป็นนาม ล, มล้วนเ น, นี่ยอกุศลเกิดไม่ได้เพราะนามมันเป็นปรมัตมันอยู่เหนือ กฎของใจลักอยู่เหนือกฎของรูปเพราะนั้นการเจริญสติเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้มาเห็นเส้นแบ่งระหว่างรูปกับนามพนังโบรู้จักอารมณ์รูปนามคือเห็นเส้นแบ่งระหว่างกายกับใจว่าเวทนาทางกายต้องไม่เบียดเบียนจิตเวทนาเบียดจิตต้องไม่เบียดเบียนกายถ้าเราสามารถเห็นเส้นแบ่งได้ตรงนี้เรียกว่าเรารู้รูปนามการรู้รูปนามในความหมายที่ถูกต้องแล้วคือได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันนั่นเองแต่ถ้าหากว่าเราเป็นรูปนามรูปนามมันมีสามระดับ รูปนามระดับต้นระดับกลางและระดับสูงรูปนามระดับต้นเนี่ยทำโดยสัญญาคือคอยกระตุ้นคอยจดจําว่าอาการอย่างมีสบายไม่สบายอาการยังไม่สบายมากไม่สบายนอ้อยเราเราทำโดยอาการของสัญญาหรือว่ารูปนามเบื้องตน้นรูปนามท้ำกลางหมายถึงระลึกรู้ได้บ่อยขึ้นเห็นอาการของค Durham, าาาวามไม่สบายกายแล้วปรับความไม่สบายกายให้สมดุลได้ง่ายขึ้นหรือ ว, ว่ารูปนามโดยปัญญาในระดับกลางแต่ยังไม่สิ้นเชิง ยังไม่ชินเวบางครัง้งเราเผลอเปลี่ยนเราไม่รู้ตัวเผลอเปลี่ยนนีบุตรเไม่รู้ตัวจนไปแล้วรูปนามระดับที่สามเรือรูปนามระดับยานหรือยานปัญญารูปนามระดับสัญญาลุ่มระดับปัญญาและลุ่มระดับยานปัญญาพอเป็นรูปนามขั้นสูงแล้วนั่นแหละมันถึงจะเป็นวิปัสนาญาในใ น, ในลําดับต่อไป เพราะฉะนั้นเวลาศึกษาปฏิบัติเนี่ยถ้าใครมาบอกโอ้ไม่สงบเลยไม่สบายเลยไม่เย็นเลยไม่อะไรเลยมันอันนั้นไม่ใช่วิปัสนาแต่ว่าสนามของความรู้สึกทุกอย่างที่เกิดจากภายนอกก็ดีภายในก็ดีนั่นเป็นสนามงานของวิปัสนาคือทาเราให้ทำเราให้เห็นโลกทั้งสองส่วนโลกของความสุดโต่งทั้งสองส่วนสบายสุดโต่งข้างหนึ่งไม่สบายสุดโต่งข้างหนึ่งเมื่อสุดโต่งข้างหนึ่ง สว่างสุดตรงข้างหนึ่งสงบสุดตรงข้างหนึ่งไม่สงบสุดตรงข้างหนึ่งสุขสุดตรงข้างหนึ่งทุกข์สุดตรงข้างหนึ่งให้เห็นความสุดตรงทั้งสองด่างแล้วเขายามปรับให้เกิดความพอดีทั้งสองส่วนเนี่ยไอการที่รู้จักปรับให้เกิดความพอดีนั่นเองมันเป็นตัวปัญญานะเป็นตัวปัญญาเพราะฉะนั้นปฏิบัติอะไรก็ตามถ้าเราทำเพื่อให้เกิดปัญญาที่จะมาเห็นความสัมพันธ์กันระหว่างรูปกับนาง นั่นเองเอามาก็คงจะตอกย้าในจุดนี้ไปถ้าทำมาจริงๆที่เราจะเข้าถึงสภาวะมันไม่เยอะแล้วมันไม่มากแต่ที่เราพูดเยอะพูดมากเพราะอะไรเพราะพูดให้ได้เห็นมิติที่หลากหลายเราเข้าใจมิติเนี้เข้าใจไม่ได้อาจจะไม่เข้าใจมิตินี้พูดได้หลายหลายมิติเพื่อให้สอดคล้องกับสติปัญญาและความสามารถของแต่ละคน ผู้มิตรคนนี้คนนี้อาจจะเข้าใจได้แต่คนนั้นอาจจะเข้าใจไม่ได้เราพูดรวมนามอีกมิติหนึ่งคนนั้นอาจจะเข้าใจคนนี้อาจจะเข้าใจไม่ได้มันจะต้องคนใดคนหนึ่งแต่พูดไปทุกหลายๆมิติแล้วบางค น, นเข้าใจไม่ได้เลยก็ถือว่าวุฒิภาวะทางทางด้านวิปัสน า, ายัางไม่เกิดก็ต้องทําสมถะไปก่อนคือมีศรัทธาทำความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆก่อนนะดังนั้นอันนี้เป็นหลักที่เราจะต้องศึกษาแบบซ้ำซาก ตรงที่ว่าซ้ําตรงไหนซ้ำถึงว่าการปรับเปลี่ยนเพื่อบําบัดทุกขเวทนาทางกายทุกครั้งเนี่ยให้ทําด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวทําแค่นี้แหละในภาคปฏิบัติมันจะครอบคลุมทั้งหมดแต่ถ้าเราบําบัดทุกขเวทนาทางกายด้วยความรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างหรือไม่รู้ตัวเป็นส่วนใหญ่ตรงนั้นมันก็ยังไม่เข้าข่ายของวิปัสสนายังเป็นสมถะอยู่การที่เราเริ่มจากความรู้สึกตัวเป็นก็ถือว่าเป็นเริ่มเป็นสมถะแล้ว ถึงเมื่อก่อนเราไม่รู้เลยว่าความรู้สึกตัวนี้อันไหนเป็นปัญญาญาณอันไหนมันเป็นสัญชตาตญาณอันไหนมันเป็นสติอันไหนมันเป็นโมหะเราไม่รู้เลยแต่พอมาสัมผัสสัมพันธ์ในวิธีการหลวงพ่อเทียนท่านตอกย้ําแต่เรื่องนี้แต่ในวิธีการอื่นเอามาไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้อย่างถูกต้องอย่างที่เรารู้หรือเปล่าเราก็ไม่ได้ทนงว่าเราเรารู้ถูกกว่านะแต่มันพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้ว่าถ้ารู้แบบตั้งใจให้สงบเนี่ย มันไม่ใช่วิปัสนาลมันเป็นสมถะแต่รู้จริงๆคือรู้ตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างสังเกตใช้คาว่าสังเกตไม่ใช่ไม่ตั้งใจเลยตั้งใจแต่ว่าบางอย่างตั้งใจหนักเกินไปก็ไม่ใช่บางอย่างตั้งใจเบาเบากินไปก็ไม่ใช่ตั้งใจแต่พอดีเนี่ยตัวนี้คือตัวยากมันตั้งใจแต่พอดีคือเห็นสองฝ่ายชัดเห็นกายก็ชัดว่าถาขณะนี้ความรู้สึกไม่สบายทางกายเนี่ยมันเข้าไปเบียดเบียน จิตบา้างหรือยังขณะนี้ในจิตมีอะไรบ้างจิตของเราโล่งโปร่งเบาสบายหรือจิตของเรามีอะไรขุ่นข้องมองมัวอยู่ในหรือเปล่าเห็นเหมือนกับเราเห็นเวทนาทางกายนี่แหละเราเห็นเวทนาทางกายชัดเจนว่ามันไม่มีอะไรหรือมีพอทนได้นิดๆก็ให้รู้เราไปสง่งเวทนาทางจิตก็เห็นเวทนาในจิตแต่ในจิตไม่มีอะไรจริงๆหรือมีนิดๆเราก็รู้พอรู้เห็นสองอย่างนี้มีอะไรไม่มีอะไรตรงนี้แหละก็แล้วเห็นด้วยระดับปัญญาละ แต่ในระดับสัญญานั้นเห็นไในระดับว่าเฉพาะส่วนหยาบๆแต่ส่วนละเอียดไม่รู้จนกระทั่งเราทําตัวสัญญาให้เป็นถิละสัญญาคําว่าถีละสัญญาก็คือสตินั่นเองเพราะสติญญเป็นอีกชื่อหนึ่งคือถิละสัญญาคือความจําได้หมายรู้ที่เข้มแข็งต่อเนื่องมั่นคงคําว่าถีละไปมั่นคงมาจากคำว่าทาวร์ทาวระทีละหรือสถีย น, นนั่นแหละเดียวกันเพราะนั้นเราจะเห็นว่า กฎเกณฑ์ทางด้านนมามธรรมกับลู่ธรรมมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ได้แต่ว่าเราจะต้องใช้อุปมาอุปไมยมาเป็นตัวสื่อในการนำให้เข้าใจนะเมื่อเป็นอย่างนี้เรามาศึกษาวิปัสนาเราสามารถที่จะปรับจิตให้ได้กับทุกสถานการณ์ ไม่ใช่ว่าเวฉันจะต้องนั่งเงียบเก็บอารมณ์เงียบอยู่กับที่อย่างเดียวถ้ามีอะไรเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นฉันรับไม่ได้อันนี้ก็ไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนาหมายของว่าสามารถที่จะปรับตัวให้กับทุกๆสถานการณ์แล้วก็เอาสถานการณ์นั้นนะเป็นสนามงานเป็นสนามปฏิบัติได้ทันทีนะแต่เราจะมองได้มิติไหนบ้างเท่านั้นเองในนิพิติที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีในมิติที่เป็นศีลธรรมในมิติที่เป็นสมมุติ ในมิติที่เป็นปรมาภิราสามารถเข้าใจได้หลายมิติอยู่ที่ว่า ai, mà, ên, ī ī ni, เราทําใจได้สบายนั่นหมายความเราได้เข้าใจได้ครบทุกมิติแล้วแต่เราทําใจได้บ้างไม่ได้บ้างหมายความมิติบางมิติเราไม่เข้าใจบางมิติเราเข้าใจได้บางครั้งเราก็ประจุกตกมิตินี้เราเกิดความไม่พอใจแสดงว่าเข้าใจมันไม่ได้ในตัวมิตินี้รู้สึกเอเข้าใจและพอใจเราเข้าใจได้ นี่เป็นเครื่องวัดว่ามิติไหนที่เราเข้าใจได้เราเข้าใจไม่ได้มาอยู่ที่ว่าเราเกิด อ, า, อารมณ์กับมันไหมเท่านั้นเองดังนั้นในอารมณ์วิปัสนาเนี่ยมันจึงหลากหลายมากถ้าหากว่าเราไม่มีสถาและความเพียรอย่างแท้จริงแล้วมันก็ค่อนข้างจะช้าหน่อยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเข้าใจไม่ได้นั้นตั้งเริ่มต้นได้ตื่นมาตอนเช้าเนี่ยร่างกายมันบอกอะไรกับเราบ้างนะว่ามันพัก มาตลอดทั้งคืนบางวันตื่นมาแล้วสดชื่นแจม่มใสบางวันตื่นมาแล้วกระปุกกระเพือยอ่อนเรียบเพแลแรงหมดเรียวหมดแรงปวดเนื้อปวดตัวบางวันแล้วก็สังเกตว่าเราในคืนที่ผ่านมาเรานอนยังมีสติหรือขาดสติถ้านอนยังขาดสติตื่นขึ้นมาก็จะกระปุกกระเพือยเหนื่อยล้าปวดเมื่อยทําให้ร่างกายนี้ถูกกดทับบางส่วนที่เราไม่รู้แต่บางวันเราเกิดมาแล้วสดชื่นแจม่มใสแสดงว่าเรามีการปรับท่านอนอยู่จะโดยรู้ หรือไม่รู้ก็ตามมันมีกรารปรับของมันมันต้องศึกษาตั้งแต่นู่นมาเลยนะในการปฏิบัติทั้งแต่ละวันเราจะมาศึกษาอาตอนนั่งยกมือสร้างจังหวะมันไม่พอมันไม่พอตลอดถึงว่าการที่ไปเกี่ยวข้องกิจกรรมต่างๆกินข้าวอาบน้ำํำพูดคุยแต่งเนื้อแต่งตัวทําความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูอะไรมันต้องต้องเก็บมาเรื่อยๆในาการเหล่านี้ฉะนั้นเองก็จึงอยากจะให้เราทั้งหลายเนี่ยได้ได้เห็นความแตกต่าง ระหว่างตัวสมถะวิปัสสนา Banana. ตัวสมถะทำยังไงก็ได้กายสบายใจสงบตัววิปัสสนาเนี่ยต้องเห็นว่ากายสงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะอะไรกายใจสงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะอะไรแต่ความไม่สงบมีผลต่อความไม่สงบของกายมีผลต่อจิตอย่างไรความไม่สงบของจิตมีผลต่อกายอย่างไรนี่วิปัสสนา คือรู้จักเหตุของสิ่งต่างๆและผลมันจะออกมาอย่างผลรู้จักผลว่าผลปรากฏปัจจุบันเหตุมันเป็นอย่างไรนี่นีปรัชนาคือไต่สวนผลหาเหตุหาผลในขณะที่หาเหตุผลไม่ใช่เกิดจากความคิดน่ยแต่เกิดจากอาการที่เกิดในขณะนั้นๆเช่นไปนั่งไปสักพักมันนิ่งมันสงบนั่งไปสักพักมันง่วงมันเหงานั่งไปสักพักมันเบื่อมันเซ็งนั่งไปสักพักมันคิดปรุงแต่งฟุ่นซ่านนั่งไปสักพักแล้ว มันเบื่ออาการเหล่านี้ล้วนเป็นผลทั้งนั้นเหตุมันมาจากอะไรเนี่ยวิปัสสนาก็าล่มเข้าไปหาเหตุนะนั้นในช่วงที่เราปฏิบัติเรามองหาเหตุเหตุกับคําว่าธรรมะในอันเดียวกันเช่นคําว่าทำมันยุตารู้จักเหตุอัถถัญยุตารู้จักผลทำมันยุตยาุจักเหตุนั้นธรรมะ น, นี่แปลว่าเป็นเหตุเราเห็นเหตุคือเราเห็นธรรมอัถถัญยุตตาเห็นผลคือตัวปรมัตาที่ความรู้ที่เป็นเองแล้วเป็นผล แต่รู้เหตุที่มันเกิดขึ้นเป็นธรรมแล้วรู้ความเป็นไปอย่างนั้นของมันจนเข้าใจก็เลิกเป็นผลนะแตะนั้นเองในการปฏิบัติวิปัสสนาก็ต่างจากสมถะสมถะทำยังไงไล่ทำให้กายสบายใจสงบเป็นว่าใช้ได้คนส่วนใหญ่ก็ต้องการแค่นั้นแต่ว่ากายสบายใจสงบมันเที่ยงหรือเปล่ามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดทั้งวันทั้งคืนหรือเปล่าก็ไม่ ก็เป็นพักๆเท่า น, นั้นเองถ้าเราไม่ไปสู่วิปัสนาพอความกายสบายใจสงบมัเปลี่ยนไปไม่กายไม่สบายใจไม่สกบเริ่ ม, เ ร, มเริ่มทุกข์ละหมดอายุของสมถะแล้วพอไม่มีวิปัสนาเราก็าไปแสวงหากายสบายใจสงบใหม่ก็หาเงินไขใหม่หาที่สงบหาเพื่อนที่ดีหาวิการที่ดีใหม่มันก็ไม่จบนะแต่ถ้าเป็นวิปัสนานั้นหมายถึงว่าเรา พอเข้าใจว่าเออกายสบายใจสงบนี้เป็นสมถะแต่ว่ากายสบายใจสงบไม่เที่ยงนะสัาพักมันก็แปลี่ยนปูนก็เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเวลาเกิดการเปลี่ยนปเปลี่ยนแปลงมาแลมาทำให้กายไม่สบายใจไม่สงบเราจะทําอย่างไรเราก็ตั้งท่ารับไว้เลยพอเกิดการเปลี่ยนปนเปลี่ยนแปลปงปลขึ้นมาตามที่เราตั้งรับออกนี่ไงเราก็แก้ได้อีกนี่วิปัสสนาคือเฝ้าดูเป็นลักษณะของการเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นการเสพสวยผลที่มันปรากฏ ผลที่มันปรากฏเป็นผลพลอยได้เพื่อที่จะเป็นเหตุให้เราได้เฝ้าดูผลของมันต่อไปว่าผลของมันคือการแปลปวนให้เปลี่ยนแปลงและแตกดับพอเราเฝ้าดูอย่างนี้ปับ๊บเราก็เห็นอาการของความจริงปรากฏเพราะการแปลปวนเปลี่ยนแปลงแตกดับปรากฏที่รูปตลอดเวลาปรากฏที่รูปตลอดเวลาส่วนจะหนักจะเบาจะาบางจะลึกจะหนาอย่างไรขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของแต่ละคนคนที่อินทรีย์อ่อนจะรู้สึกเจ็บปวดได้ไวและเปิดปดได้เร็ว คนร่างกายอ่อนแอยจะเปลี่ยนบ่อยเดี๋ยวปวดนั่นเดี๋ยวปวดนี่เดี๋ยวคันนั่นเดี๋ยวแสบนี่ต้องดิ้นตลอดเวลาแล้วเียกว่าประเภทที่อ่อนแอที่สุดที่ปัจจุบันเขาเรียกว่าไฮเปอร์นะเป็นไฮเปอร์เคืออ่อนแอที่สุดมีการไม่สามารถจะนิ่งอยู่กับที่ได้นานแต่สําหรับคนที่มีอีซีเข้มแข็งจะนิ่งอยู่ได้นานร่างกายจะเปลี่ยนแปลงช้าถ้าก็ เปลี่ยนแปลงก็อยู่ในภาวะที่อดทนได้ง่ายสามารถนั่งทนได้นานๆและถ้ามีวิปัสสนาด้วยก็สามารถที่จะปรับการเปลี่ยนแปลงนั้นเข้าไปสู่องค์ของความรู้ได้ง่ายนั่นคือคนมีอิสรเข้มแข็งสตาเข้มแข็งความเพียรเข้มแข็งปัญญาเข้มแข็งนั้นแต่และคนจึงเข้าใจลึกตื้นหนาบางในแง่ของภูมิธรรมไม่เท่ากันบางคนรู้ได้ลึกได้แน่นบางคนรู้ได้บางบางผิวเผินขึ้นอยู่กับ กำลังของอีสีของแต่ละคนนะฮะแล้วจะเห็นว่าในบิปปัสนาของพระพุทธเจ้าถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่เป็นทุกข์ได้เลยนะโอกาสที่จะเกิดกิเลสตัณหาอวทารเราก็เห็นมันอยู่เนี่ยมันเกิดที่ไหนวิชาตัณหาอวทานมันเกิดที่จิตแล้วมันมาจากไหนก็มาจากกายอการที่เราจัดกายไม่ถูกต้องไม่ทันเวลาปั๊บมันก็เปลี่ยนอวิชาตัณหาอวทานเมื่อเกิดอวิชาตัณหาอวทารมันก็พร้อมที่จะเกิดเหตุเป็นสมุทรให้เกิดทุกข์ เกิดความคิดเกิดอุปทานต่อไปได้เรื่อยๆอนักปฏิบัติที่เข้าใจหลักการ น, น, น, นี้เมื่อเกิดเขตทางจิตปั๊บกลับมาหาที่กายมาตรวจสอบว่าเราผิดพลาดตอนไหนมันถึงไปถึงจุดนั้นได้กลับมาเคลียเวทนาที่กายใหม่มาตั้งต้นที่กายเสม อ, อเพราะนั้นในสติปัฏฐานสีตึงเริ่มต้นกายอนุปัสนาตามรู้ตามเห็นตามเข้าใจความเป็นไปของกายแต่ตัวรู้เตาเห็นถ้าเข้าใจผ่ า, านอะไรผ่านเวทนา คือตามรู้ตามเห็นเวทนาทั้งที่เป็นสุขเวทนาทั้งทุกข์เป็นเวทนาเท่านั้นเองนะการเข้าไปตามรู้คําว่าอนุปัสนาไม่ใช่พิจารณาอนุปัสนาไม่ใช่เป็นการเข้าไปคิดนึกตึกดองแต่อนุปัสนาคือการตามรู้ตามเฝ้าดูตามสังเกตตามพิจารณาก็ได้คือตามเข้าไปดูคือมันเกิดก่อนเรื่องต่างเข้าไปดูถ้าเราเข้าไปตามไปดูไปรู้เห็นทั้งท่าที่มันไม่เกิดอันนั้นก็เรียกว่าเป็นวิจตกวิญญาณถสมมุติว่า ความปวดขายังไม่เกิดเราไปคิดเอาเองเอ้ความปวดขานี้เป็นอย่างไรหนอะความปวดหลังยังไม่เกิดเราไปคิดขึ้นมาเอ้ความปวดหลังเป็นไงเนอะเพราะความปวดหลังนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนากาทั้งๆขนาดนั้นไม่มีความปวดหลังอยู่เลยแต่นํามานึกมาคิดเอาเองอันนี้เขาเราียกว่าทํามัธยุกทำมัธยจารณไม่ใช่เป็นทรมวิจัยตัวของวิปัสสนาจึงเอาตัวสติสัมผัสชมและธรรมวิจยะไปหลักคือการตามดูตามดูตามสังเกตแต่ใ น, นแง่ของสมถะเราจะเอา ตัวระ ง, งับวิตกวิจารณเป็นหลักไปเอาด้านระ ง, งับวิตกวิจารณ์เกิดปีติสุขและเอกขาตาเนี่ยเอาตัวนั้นไต่ทั้งนั้นเป็นหลักแต่พอมาสำพูดชงแล้วเอาสติด้วยการตามรู้กายรู้ใจเป็นหลักแล้วก็เข้าไปรู้ปรับเปลี่ยนให้เป็นตัวรู้ขึ้นมาหรือว่าเป็นธรรมวิญ ย, ยาณเมื่อปรับกายสบายก็เกิดปีติและปรับใจสบายก็เกิดปัจสัตติกายสบายใจสบายก็เป็นสมาธิ เ้าสามารถส่งความสบายนั้นไว้ได้นานตามที่ต้องการเป็นดุเปรียาสมผจสชงโดยอัตโนมัติเลยดัง น, นั้นเองถ้าไปในแง่ของวิปัสสนาแล้วจิตของเราจะเดินในสัมผจสชงแต่ได้สมถะแล้วจิตของเราจะเดินในแง่ของชานสี่ชานห้าชานแปดอะไรก็ 8, แล้วแต่เพราะนั้นเราก็สามารถรู้ได้ว่าเราจิตของเราไปในฝักฝ่ายไหนถ้าฝักฝ่ายทางสมถะทางสมถะ อยู่ก็ไปทางฌานถ้าเป็นฝักฝ่พิพิสนาก็เดินสายในสัมพุทธชงเพราะนั้นสติปัฏฐานสี่พชชงจิตอริมักมิองแปดถ้าหากว่าทั้งสองไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้องก็เป็นอริมักมิองแ์ดทำหลักของวิปัสสนาภูมินะเชา้าวันนี้เราทำความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของรูปนามระดับสมถะและวิปัสนาอีกทีหนึ่งเพื่อเป็นการทบทวน เพราะวันนี้ก็เราถือว่าเป็นวันปิดคานในช่วงเพงหลังจากฉันเพงเสร็จก็ถือว่าเราจบโปรแกรมตรงนั้นเพราะวันนี้ในช่วงบ่ายเรามากรีมีกิจกรรมบทพระบทเนนอย่างที่ได้แจ้งไปแล้วคนไหนที่จะอยู่ต่อก็ปฏิบัติไปวันที่สิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดาก็จะอยู่เคลียร์ธุระภายในวัดวันที่สิบเก้าก็จะเดินทางไปที่แม่สอดพุทิยมอุบถากที่ ไม่สอดที่เราจัดไม่สอดเนยเป็นโยงวิถากในการดูแลข้าวน้ำเอาปลาอาหารหาคุณมาปฏิบัติโยมซีนวล น, นะถึงแก่มรณภาพถึงแก่ตายไปสองสมวันนี้ก็เลยว่าไปเป็นเจ้าภาพ